บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปพระพุทธมรดที่พระพุ้มีพระภาคจ่าสัตว์แก่ท่านเมตตครูในตอนต่อไปนั้นได้รับสั่งว่าเมตตครูเราจะแสดงธรรมที่เรารู้ประจักษ์ด้วยต้นซึ่งเมื่อบุคคลได้ฟังแล้ว มีสติเป็นเครื่องเที่ยวไปในโลกก็ <Okay. S 1> จะทำลายตัณหาอันเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวแห่งใจได้พระพุทธดําหลัดข้อนี้เป็นการชี้ถึงองค์ธรรมที่เรียกว่าปริยัติสัจธรรมอันพระผุ้มีพระภักเจ้าทรงแสดงไว้นั้นว่าไม่ใช่เป็นการแสดงโดยการคาดกะเนโดยการนึกเตาเอา หรือด้วยความคิดด้วยความเข้าใจเอาเพราะสิ่งนั้นควรเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ควรเป็นอย่างนี้แต่ตนเองหาได้ลงมือประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ทดสอบให้ประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนเองก่อนไม่คนเหล่านั้นก็แสดงออกมาแล้วหลักปริยัติหลกักทฤษฎีในลักษณะนี้มีอยู่ในเนื้อ<ม>หาวิชาต่างๆเป็นอันมากเป็นเรื่องของการคาดเดาเอานึกคณิตเอาหรืออนุมานเอา แต่พระผู้มีพระพักร์เจ้าหาเป็นเช่นนั้นไม่พระองค์ทรงแสดงธรรมที่โรงรู้ด้วยการศัสรุประจักแจ้งขึ้นภายในพระทัยของพระองค์อะไรที่ทรงแสดงว่าเป็นอกุศลสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ทรงสัมผัสมาด้วยตนเองถึงความทุกข์ย า, ยามจิตทุกครอบงำด้วยอกุศลสิ่งใดเป็นกุศล ระอก็ทรงสัมผัสมาด้วยพระองค์เองถึงสภาวะของกุศลเหล่านั้นที่ก่อให้เกิดเป็นความสุขความสงบขึ้นในชั้นนั้นจนถึงกับพระองค์ได้สัสรู้วันธรรมะทั้งหลายที่มีนิยะเป็นอเนติศึกษามาศึกษาเล่าเรียนกันในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นได้ผ่านขั้นตอนของพระสัทธรรมครบทั้งสประการคือในด้านการศึกษา เรียกว่าประยะิยัติสัจธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงผ่านมาแล้วในด้านปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติสัจธรรมก็ทรงลงมือประพฤติปฏิบัติคือละของที่ควรละประพฤติของที่ควรประพฤติก็ทําให้แจ้งข้อที่ควรให้แจ้งข้อที่ควรก็ทําให้แจ้งจนลงมือสร้างให้มี <S <S <S 2> <S 2> ให้เป็นขึ้นในองค์ธรรมที่ควรสร้างให้มีให้เป็นขึ้นและในที่สุด รโรงก็ได้ดสรุปส่วนของการลงมือประพฤติปฏิบัตินั้นก็คือส่วนของปฏิบัติสัจธรรมแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็เป็นส่วนของปฏิเวทสัจธรรมเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วสามารถขจัดกิเลสให้ออกไปได้อย่างแท้จริงสําหรับพระพุทธเจา้าพระรยาบุคคลทั้งหลายเป็นการขาจัดกิเลสได้อย่างท้าววน ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆพราะพระธรรมเหล่านั้นก็นํามาสู่ปริยัติอีกครั้งหนึ่งคือด้วยการถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าและครานทั้งหลายเป็นการถ่ายทอดผลสามช่วงแรกคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วก็ถ่ายทอดมาเพื่อให้เกิดเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต่อกันไปเรื่อยๆจากคนสู่คนจากยุคสู่สยุคจากสมัยสู่สมัย เป็นการนําสืบต่อกันมานด้วยหลักทั้ง3ประการคือประยัดปฏิบัติปฏิเวทจยรไปที่รวมเรียกว่าสัตยธรรมทั้ง3ประการข้อนี้ผู้ศึกษาธรรมะอาจจะมองไปในส่วนอื่นๆเช่ น, นในส่วนของพระพุทธปณีทานที่พระภุทธมีพระภาคเจ้าได้ทรงตั้งประทัยไว้ว่าจะดํารงประชนอยู่เพื่อทํางาน5ประการให้สาเร็จ ก่อนที่จะเสด็จเดบขันท้าปณิพันธ์เป็นพระพุทธบริญญาที่ตั้งไว้ตั้งแต่ยังไม่ประกาศธรรมที่โปร่งตัดรู้แก่ชาวโลกนั่นก็คือให้การศึกษาแก่พุทธบริษัททั้ง4ให้พุทธบริษัททั้ง4ี่สามารถน้อมนําไปประพฤติธปฏิบัติได้และให้พุทธบริษัททั้ง4ได้สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติ พระุทธมณิธานทั้ง3ช่วงนี้ก็คือเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวศนั่นเองข้อที่4ว่าให้พุทธบริษัททั้ง4สามารถนำหลักธรรมเหล่านั้นไปเปิดเผยชี้แจงแสดงกระทาให้ตื่นง่ายๆต่อการหาความเข้าใจของบุคคลทั้งหลายนั่นก็หมายความมาก่อตั้งปริยัติขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อถ่ายทอดจากคนสู่คนจากยุคสู่ยุคดังกลา่าว งานเหล่านี้จึงเป็นการทางานที่หมุนหนุนเรื่องกันไปจึงอาจจะเทียบเคียงกับการเรียนรู้ในเรื่องของการทำม า, าทาอาหารรับประทานผู้ที่เรียนในครั้งแรกก็เป็นเรื่องของประหยัดท่านผู้นั้นลงมือปรุงก็เป็นส่วนของปฏิบัติท่านรับประทานในลิ้มรสของอาหารนั้นก็เป็นส่วนของปฏิเัตท่านพอใจติดใจในรสชาติของอาหารนั้นก็มาสั่งสอนลูกหลานต่อไป การสั่งสองของท่านก็ส่วนปริยัติอีกลูกหลานไปปรุงอาหารนั้นก็เป็นส่วนปฏิบัติมื่เกลี้ยงก็ได้รถอาหารนั้นก็เป็นส่วนปฏิเวทแล้วก็ส่งต่อกันไปอย่างนี้เพรานั้นธรรมะที่เกิดขึ้นจากการประจักษ์นั้นในการประจักษ์ด้วยความสัจสุอันเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นท่ามกลางพระไทยที่ไปผ่านการฝึกปรืออบรมมาจนเกิดเป็นความสงบขึ้นภายใน สภาพประทยของพระองค์ในขณะนั้นรับสั่งแสดงไว้ในที่ต่างๆแล้วเหมือนกันทุกครั้งไปเพราะเป็นธรรมะที่เที่ยงแท้ไม่แปรผันหมายความว่าสภาพจิตของใครก็ตามที่ปฏิบัติไปจนถึงจุดอย่างนั้นมีสภาพจิตเป็นอย่างนั้นความรู้ในลักษณะอย่างเดียวกันก็จะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นเช่นนั้นอยู่เรื่อยไปไม่ว่า เหตุการณ์จะผ่านไปนานเท่าไรโลกจะเข้าเข้าอยู่ในยุคอะไรก็ต่างนั่นคือสภาพจิตที่ตั้งมั่นไม่หวันไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตที่พร้อมจะน้อมไปเพื่อให้เกิดความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาโดยลำดำับลักษณะของความพร้อมนั้นอาจจะมองในส่วนอื่นๆก็ได้ เช่นว่าไม้กระดานที่ได้ปรับมาจนถึงพร้อมที่จะลงแด้ก็ถือว่าพร้อมผ้าที่ซักสะอาดพร้อมที่จะยอมก็ถือว่าพร้อมอาหารที่ปรุงเสร็จพร้อมที่จะรับประทานก็ถือว่าพร้อมแต่ถ้าไม่พร้อมผลประโยชน์ที่บุคคลต้องการจาสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ลักษณะของยาณความรู้ก็เป็นเช่นเดียวกัน ถ้าไม่ได้ส่งจิตของบุคคลให้ไปอยู่ในจุดดังกล่าวนั้นจิตก็ไม่พร้อมที่จะรู้ไม่พร้อมที่จะก่อให้เกิดฌานขึ้นเหมือนอาหารที่ปรุงยังไม่ถึงจุดจะรับประทานได้ก็ยังรับประทานไม่ได้เชนั้นและพ ร, รมเหล่านี้เองที่เกิดขึ้นจากสายของปริยัติปฏิบัติปฏิเวกของพระผูม้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ส่งต่อกันไปนั้นคนผู้รับคือศึกษาใหม่ ในส่วนของเขาเขก็ศึกษาใหม่เมื่อเขาศึกษาไปแล้วแสดงว่าผ่านขั้นตอนของปญยตแล้วแต่การจะรับรองผลในการประพฤติปฏิบัติคือสามารถกระจับตันหาออกไปจากใจได้นั้นทรงแสดงว่าผู้มีสติเป็นที่เทียวไปซึ่งก็หมายความว่าเป็นผู้มีสติเป็นหลักใจอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจอยู่ได้ ไม่มีการเผอเรอพลังพลาดหลงลืมในระยะบททั้งหลายเรื่องวัตติจึงกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแลเป็นธรรมะที่จะต้องเริ่มต้นแข่งชีวิตตนถึงส่งไปสู่ความเป็นพระอาหารหันต์ในชั้นของคนทั่วไปโอกาสที่จะทำให้สติสมบูรณ์นั้นมีไม่ได้เลยเพียงแต่ว่ามีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเอง คนที่จะทำสติสมบูรณ์ได้มีเฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นสติจึงมีแต่ขาดไม่มีเกิดปิดกับธรรมะเราอึดธรรมะเราอื่นเช่นศรัทธานั้นอาจจะเกินจนกลายเป็นความงม ง, งายไปหรือความเพียรอาจจะเกินจนกลายจิตกระสับกระสายไปสมาธิอาจจะเกินจนหลับไปปัญญาอาจจะเกินจนสติเครื่องไปหรือกระด้างไป หรืออวดดีไปแต่สติไม่มีคำว่าเกิดมีแต่คำว่าขาดจนถึงกับวิปลาดคือขาดไปเลยธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นอยู่สององนี้เป็นหลักใหญ่จริงๆก็มีสามององหนึ่งเป็นแรงดันเฉยตัวการที่จะต้องทำงานจริงๆนั้นคือสติกับสมัยสัญญาถ้าเรามองให้เห็นชัดก็เหมือนกับรถตัดญ้าหรือเครื่องมือตัดห้า ควมเพียร น, นั้นเป็นเหมือนแรงกันในใบมีดสำปับตัดก็เหมือนกับสติสามาชันจัดแต่หมายความว่าต้องอิงอาศัยกันได้กันคือขาดแต่อย่างใดยังหนึ่งไม่ได้แล้วธรรมะเหล่านี้เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้คําว่ามีสติเป็นเครื่องเชี่ยวไปคือหมายความว่ามีสติคุมอยู่ในเรยาบททั้งหลายในแง่ของการดํารงชีวิตประจำวัน สติก็ต้องเกิดขึ้นทันตามความเคลื่อนไหวนั้นๆั้นาว่าสติขาดไปในช่วงใดช่วงหนึ่งเห็นว่าตั้งใจระลึกว่าจะหยิบสิ่งนั้นสิ่งนี้ความเพียรก็เดินคือเหยียดแขนออกไปได้แต่สติเกิดขาดนึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรมือก็ต้องหดกลับหรือบางครั้งใจเป็นเหนี่ยวว่าจะพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ ความเพียนเกิดขึ้นจะทำหน้าที่พูดแล้วสติเกิดดับนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรกรณี้บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมจะตั้งเกตกแต่ว่าสติแก ด, ดับอยู่เรื่อยเพราะเกิดไม่สืบเนื่องจะมีปัญหาทันทีแม้จะพูดอยู่ก็ต้องหยุดชัง่งือพูดไม่ได้สติจึงต้องเกิดในลักษณะที่สืบเนื่องกันไป การที่บุคคลจะก่อให้เกิดมีสติสมบูรณ์ในอุรยาบททั้งหลายนั้นถ้าเรามองในชั้นของการปฏิบัติระดับศีลจนมาถึงระดับสมาธิซึ่งเน้นที่สติโดยตรงนั้นก็ปฏิบัติระดับศีลก็เป็นเรื่องของการเน้นสติสมัมัญญะเช่นเดียวกันคราว น, นี้พึงสังเกตว่าบุงเมื่อบุคคลได้สมาทานศีลไปถ้าขาดสติ ขาดความสำนึกว่าเราเป็นผู้มีศีลเราสมาทานศีลมาหลังจะรับศีลไปแล้วะยะหนึ่งไม่นานนั ก, กอาจจะปศัดอาจจะทำลายชีวิตสัตว์อาจจะโกหกอาจจะดื่มสุราแต่ถ้าสติเราลึกรู้อยู่ตลอดเวลาว่าบัดนี้เราได้สมาทานศีลกำลังอยู่ในช่วงรักษาศี อย่างศีลโบวชสถก็กำหนดช่วงเอาไว้วันหนึ่งก็คืนหนึ่งเวลา น, นี้ยังอยู่ในช่วงของการรักษาศีลระลึกอยู่ตลอดศีลก็ไม่ขาดแมแต่การจะทำงานปฏิบัติภารกิจประจำวันทุกทอย่างที่ท่านว่ากินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดการคู่แขนการเยียดแขนการรับประทานอาหารเคี้ยวอาหารเลือกอาหาร ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่จะต้องมีสติด้วยกันท่านั้นแล้วก็ทรงเดินมาจนถึงขั้นที่สติสองวอลคือสัมรวมด้วยสติหมายความว่าเวลาประสาทสัมผัสของตนเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูปเป็นต้นก็มีสติระลึกรู้ทันในขณะนั้นวินิจฉัยรูปตัดสินรูป เสียงกลิ่นรสปุถะตะมาลงเป็นต้นในทันจีทันใดอะไรที่เป็นการเกื้อกูลต่อจิตก็รับครับอะไรที่ไม่เกืเก้อกูลต่อจิตก็ทําจิตให้ทุกข์ทุรพลทําจิตให้ขุนเมืองสะขุนมัวเศร้ า, มราหมองเป็นการเพิ่มปริมาณของความกําหนัดรับใคร่ปริมาณของความขัดเคืองปริมาณของความรุ่มหลงปริมาณของความมัวเมาให้สูงขึ้น สติก็พลิกแปลงตัวเองกลายเป็นกำแพงกั้นเอาไว้ไม่ความรู้สึกเหล่านั้นไหลเข้ามาท่วมทับจิตได้จิตก็ปลอดจากอํานาจของอารมณ์ที่เป็นตัวเพิ่มให้เกิดความกำหนัดเกิดเครืองลุกหลงมัวหมองดังนั้นในชั้นของสังวรอะไรจะเป็นอินทรีย์สังวรหรือสํารวมระหว่างอินทรีย์หรู้สติสังวรสํารวมด้วยสติและแม้แต่ขันติคือรวมด้วยขันตินั้นจะต้องอาศัยสติ เพราะการที่บุคคลจะอดทนนั้นไม่ใช่อดทนไปทุกเรื่องแต่สติระลึกก่อนว่าควรจะอดทนหรือไม่อดทนย่างในกรณีลูกหลานของตัวเองทำผิดควรจะชดโทษควรจะแสดงโทษให้ปรากฏหรือบางครั้งบางคราวอาจจะถึงกับถูกลงโทษสติก็ต้องระลึกว่าอะไรที่ควรทนเพราะบางอย่างเป็นเรื่องของวุติภาวะที่ไม่พร้อม จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอโทนน้อยหน่อยให้แกอายุมากขึ้นแกาหายหเองแต่ว่าบางอย่างนั้นเป็นความผิดที่ถ้าปล่อยไว้จะมีอันตรายแกลูกหลานของตุดก็รจำเป็นจะต้องชี้ผิดชี้ถูกให้ประจักษ์เพื่อการเกิดการสํารวมระมัดระวังไม่กระทำต่อไปในการณีนี้ก็ไม่อุดทนแล้วต้องอาศัย การชี้ผิดชี้ถูกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงใช้แม้ว่าพระองค์จะไม่มีกิเลสอะไรอยู่เลยแต่พระองค์ก็มีหลักในการบริหารว่าคมคนที่ควรขมยกจ้องคนที่ควรยกบจ้อง ค, ค, ค, คันติจึงใช้ไม่ได้ตลอดไปคือไม่จะใช้ตลอดไปแต่สตินั้นต้องใช้ตลอดไปสติที่เป็นตัวเหนียวระลึกในธรรมทั้งหลายนั้น เมื่อมองกลับมาที่หลักใหญ่ซึ่งกําลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ได้แก่หลักของมาสติปัฐานทั้ง4ประกันพนระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นที่ธรรมะชุดนี้เหมือนกันคือสติสัมปชัญญะและความเพียรความเพียร น, นั้นเป็นแรงดันสติทําหน้าที่ระลึกปัญญาทําหน้าที่รู้หรือรตัดสินหรือประมาณง่ายๆเหมือนกับชาวนาเกี่ยวข้าว สติเป็นตัวระลึกคือตัวรวบรวมข้าวเข้ามาปัญญาทำหน้าที่เหมือนเคียวคือตัดให้ขาดออกไปตัดก็ทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีบางครั้งก็เป็นการตัดสินบางครั้งก็เป็นการตัดกระแสของอารมณ์ความเคลื่อนไหวของธรรมานั้นจะเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเองข้อสําคัญว่าให้มีธรรมะสําหรับเคลื่อนไหวเท่านั้นและข้อนี้เพิงสังเกตแม้ในส่วนอื่นๆ เส้นสุขภาพในทางกายซึ่งบุคคลได้บำรุงรักษาไว้จนมีสุขภาพดีประสบกสิ่งที่เป็นพิษเป็น ภ, ภัยต่อสุขภาพภูมิต้านทานโรคเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือป้องกันไว้เองในส่วนกตอรรมากก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นในเรื่องการเรียนการศึกษาวิชาความรู้จากแหล่งต่างๆจากสายวิชาต่างๆนั้น เป็นการได้มาคนละช่วงคนละเวลากันเราได้มาสับสนทางวัตถของเป็นไปกองถ้ามีรูปเป็นกองๆองแล้วความรู้ก็มีลักษณะเป็นกองขยะคือไม่มีระเบียบไม่มีระบบอะไรเนื่องจากเรารับมาไม่ได้สืบเนื่องถึงกันวาสายใดสายหนึ่งโดยเฉพาะบางครางบางราวก็รับรูม้มาทั้งหลายสายแต่เนื่องจากความรู้ไม่ได้เหมือนกับกองขยะเพราะเป็นนามธรรมา ข้อสำการว่าเวลาแกอยู่ในจิตแล้วมีปัญหาอะไรแกจัดตัวแกเองแ ก, งแกปรับได้แกออกมาได้บางครั้งบางคราวเป็นเรื่องสมัยเด็กๆได้ทําไปก็มีสิ่งเล่ามาจากข้างนอกความจาในอดีตก็ขึ้นมารายงานบอกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เคยพบเคยเห็นเมื่อนั้นมีคุณมีโทษยอย่างนั้นอย่างนั้นนี้แสดงถึงการปรับตัวเองของความรู้หรือศิละปะวิทยาการต่างๆ ท, ท, ที่บุคคลได้ศึกษาเราเรียนามาถึงธรรมะ ธรรมะก็จะมีการปรับตัวเองได้เช่นเดียวกันดังนั้นในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเป็นขั้นตอนจริงในชั้นของกรารศึกษาก็ทรงแสดงเป็นขั้นตอนจริงแต่ว่าในขั้นของการปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปบางทีอยู่ในระดับพื้นฐานทั่วๆไปบางทีก็อยู่ในระดับศีลบางทีก็อยู่ในระดับธรรมะบางทีก็อยู่ในระดับสัมาิบางทีก็อยู่ในระดับวิปัสสนา แสดงว่าธรรมะเข้าไปกอดตัวสะสมอยู่ภายในจิตไม่มีระบบเหมือนกันอะไรไปก่อนไปหลังเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่รู้บางคนได้ฟังธรรมะได้ฟังการเทศครั้งแรกพระท่านเทศถึงนิพพานไปแล้วแตว่าฟังครั้งต่อมาฟังเรื่องทานเรื่องศีลแต่นั้นเองแสดงว่าเรื่องสูงขึ้นไปอยู่ข้างล่างนี่ะถ้าเป็นการวางซ้อนของเอาไว้เรื่องต่ำกลับไปอยู่ข้างบน แต่เพราะเป็นนามธรรมแกปรับตัวได้แล้วเกิดขึ้นสู่วิถีคือปรุงจิตได้ในทันทีทันใดในขณะนั้นแต่มีข้อแม้ว่าปริมาณของธรรมะนั้นจะต้องสูงพอจึงจะเกิดทำปฏิกิริยาต่อจิตในลักษณะอัตโนมัติได้บางครั้งอัตโนมัติไม่ได้นั้นเพราะมีกำลังอ่อนเกินไปเกิดไม่ทันบางทีคิดเรื่องเดียวก็คิดจะปวดหัวคิดไม่ออก เพราะมีน้อยเกินไปเลยคิดกันมาไม่ได้ถ้ามีมากมันคิดได้ดังนั้นการสะสมตัวสติหรือสัมมิชญญะหรือความเพียรเพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์คือสติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์จึงก็หมายความว่าในขณะนั้นจิตใจสงบเพราะเป็นสูตรในการประพฤติปฏิบัติและสูตรลงตัวอย่างนี้ทุกทีว่า เมื่อบุคคลเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นปัญญาเกิดเท่าไหร่ก็ตามกิเลสจะลดลงเท่านั้นเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็ตัดความมืดจะจางลงจางลงในสัดส่วนอย่างเดียวกันแต่พอสว่างเต็มที่หมายความว่าความมืดก็หมดไปเต็มที่เหมือนกันปัญญาที่บุคคลสร้างเกิดขึ้นภายในใจก็มีลักษณะอย่างนั้น อยาทำหน้าที่กันจัดตรงกันข้ามคือไม่มีปัญญาหรือโมห oh ะหรืออวิชชาซึ่งก็ที่จริงก็พวกเดียวกันกระจ่างลงไปจางลงไปใจก็สะอาดขึ้นสะาดขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นพอถึงจุด1สติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์กิเลสก็หมดสมบูรณ์การทําปฏิกิริยาต่อกันในลักษณะนี้จะแก้กันปรับกันในแนวนี้ จำเป็นจะต้องอาศัยการค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเก็บกันวันละนิดน่นนอยที่เรียกว่าเป็นสันเล็กค่ะคือขึ้นเหมือนกับขึ้นบันไดไม่อยากกระโดดพุ่งขึ้นไปทั้งยี่สบสาสิบขั้นก็ขึ้นทีละขั้นปนัญหาสาคัญว่าให้ขึ้นไปละขั้นเนี่ยลวขั้นต่อไปขั้นที่สองที่สามจะขึ้นแล้วจะหยุดอยู่ในระหว่างแล้วจะขึ้นบนตึกนั้นได้บนปราสาทนั้นได้ ดังนั้นในมหาสติปัฏฐานในสูตรเป็นการเน้นเรื่องสติเพื่อ น, นําไปสู่เป้าอป้าที่ทรงสแสดงในมหาสติปัฏฐานทรงใช้คําว่ากําจัดอภิชาและโทมนัตออกไปแต่ในที่นี้ทรงใช้คําว่ากําจัดตัณหาออกไปพราะจะามว่าตัณหาคืออะไรตัณหาก็คืออภิชากับโทมนัตนั่นเองอภิชาก็คือการมาตัณหาภาวะตัณหาโทมานัตก็คือวิภวะตัณหา เป็นการหลากหลายคําเพื่อให้สอดคล้องกับคนฟังคนบางคนก็ไม่เข้าใจคําว่าอภิชาก็ใช้ตันหาไดก็ได้ใช้โลภจะได้ใช้ราคะจะได้แต่คนนี้แกเกิดเข้าใจได้ตันหาก็ใช้ตันหาไดยเพราะตันหาดูได้ชัดอาการมันเต้นมันกระแพกกระทันจิตสูงมันบังคับจิตให้ดิ้นรนกระเวินกระวนกระวายกระสากระสายไปในกิเลสบางอย่างมันมีความละเมียดละไหม ดูแล้วใล้ายๆจะไม่ใช่กิเลสเจนวกามัยสันเนี่ยดูแล้วไม่ใล้ๆจะไม่ใช่กิเลสเพราะมันมีความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานมีความบันเทิงใจในสิ่งที่ตนใคร่ในอารมณ์ที่ตนใคร่จิตไปถึงกระดิ่นแบบตันหาเพราะปริมาณของกิเลสไม่แรงพระพุทธเจ้าก็ยังสอนระดับสมาธิไม่ได้สอนระดับทั่วๆไประดับข้างล่างก็ไม่สอน เพาความรุนแรงทางอารมณ์ไม่ปรากฏชัดสมกับคนบางคนที่ยังหยาบอยู่ใกล้ๆก็ผ้าดำมีฝุ่นละอองทุลีไปปนอยู่เยอะแต่ก็มองไม่ค่อยเห็นมันต้องซักผ้ามันขาวๆเสึก่อนจึงจะพูดเรื่องรอยดำรอยด่างที่มีอยู่ก่อนนั่นเองดังนั้นลักษณะนี้ทรงใช้คำแม้จะต่างกันแต่ก็เหมือนกันโดยเนื้อหาว่าเป็นกิเลสและเป็นกิเลสในกลุ่มเดียวกันนั่นเองแต่ว่าอาการแรงมากแรงน้อยเท่านั้น แล้ว ไ, ได้ใช้สติพระเจ้าก็ทรงสอนเอาสติเราเลิกดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกตามลมไปเรื่อยๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าจะยาวหรือสั้นก็ต่ำก็รู้อยู่ตามลมไปทีนี้เพื่อให้มันเกิดจริงๆไม่ใช่วันนานๆก่อนจะนอนหรือว่าตื่นนอนขึ้นมานั่งสมาธิ10นาที15บนาที เวลาอีกยี่สิามช่วโมงครึ่งก็ปล่อยไปตามสบายไม่ใช่อย่างนั้นก็ทรงสอนให้มีสติระลึกอยู่ในการใช้อริยาบถทั้งหลายที่เรียกว่าอริยาบถาประพักจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามให้ระลึกรู้ทันในอริยาบถตอนนั้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นสติมันขาดได้ง่ายๆก็ฝึกเปรยมีความจำนิจํำนานทุกขณะของการเคลื่อนไหวแห่งอริยาบถ าจะยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเย็ดแขนเดินไปเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังจะหยิบของจะช่วยของจะเคี้ยวจะลิ้มจะดื่มจะสูตรดมจะถูกต้องมีมีสติระลึกหมดไปเพื่อให้สติไม่ขาดที่จริงในช่วงนี้มันสั้นมันหยาบถ้าเทียบกับการระลึกรู้สภาวะของจิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวจิตต า, า, านุปัสสนาสติปัฏฐานตามแนวของเวทนานุนปัสสนาสติปัฏฐานแล้วจะพบว่า ช่วงการลึกในแนวนี้ความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของเรียบบทนั้นช้ากว่าจิตมากแต่ถ้าเราระลึกที่ช้ายังไม่ได้ไประลึกที่เร็วกำจะระลึกไม่ได้ไม่ใช่ว่าระลึกดูลมไม่ได้แล้วจะไประลึกดูที่จิตจิตมันเกิดดับเร็วกว่าลมนั้งมากยังไงก็ดูไม่ทันพระเจ้าก็สอนให้ฝึกหยาบหยาดเดี๋ยก่อนดูภาคสนามหยาบหยาบไปก่อน แล้วค่อยประนีตประณีตขึ้นไปซึ่งสูตรในการฝึกปรือในแนวนี้จะพบว่ามันก็เหมือนกับงานทั้งหลายในโลกนี้คือคนที่เริ่มต้นจับงานอะไรก็ตามต้องทําเรื่องดาบหยาบมาก่อนไปลักษณะบันไดยก้าวไปก้าวไปก้าวไปกว่าจะถึงงานประณีตเช่นมาช่างเหล็กจะตีเหล็กตีเป็นมีดต้องผ่านขั้นตอนมาเป็นมากช่างปูนจะบกปูนก็ต้องฝานผ่านการฝึกปรือขั้นตอนมาไม่จะวันนี้นิ่งไปบกปูน ปูนเลยหรือว่าไปสร้างอั้มมีดทาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆได้เลยมันก็ทาไม่ได้การปรึกใจก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าสติบังเกิดขึ้นภายในใจในขณะของการดำรงชีวิตในฐานะของผู้ครองเรือนนี่เองสติก็จะทำหน้าที่ระลึกรู้ทุกอย่างและวินิจฉัยตัดสินสิ่งเหล่านั้น เรื่องการไม่ได้ใช้ตัดสินนั้นถ้ามองโดยโครงสร้างใหญ่โครงสร้างใหญ่จริงๆที่ครอบคลุมเนื้อหาของธรรมะทั้งปวงไว้สิ่งต่างหลายในโลกมันจะมีเพียง4โครงสร้างใหญ่แต่นั้นเองนั่นก็คือเรื่องของปรากฏการณตามธรรมชาติ 2. คือเรื่องของกิเลสทั้งหลายสาคือเรื่องของเป้าหมายที่ผึงประสงค์สคือเรื่องของหลักการวิธีการเพื่อดําเนินไปสู่ การดับกิเลสเพื่อตอนเองจะได้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์และดํารงตนอยู่เหนือกฎของธรรมชาติเหนือปรากฏการณ์ของธรรมชาติทั้งหลายแม้ปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอย่างไรใจเราก็ไม่แปรตามไปโครงสร้างเหล่านี้ก็คือโครงสร้างของอริยสัจ ท, ทั้ง4ี่ไปกันสติเป็นไปได้อย่างนี้ระลึกได้อย่างนี้ตนาซึ่งเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกันก็ไม่มีโอกาสเกิดเพราะสติไปอยู่กับธรรมะ เหล่านั้นไปแล้วถ้าเกิดสติก็ระลึกรู้ว่านี่คือตัณหานั่นคือนี่คือกิเลสสติก็ตัดหรือปิดกั้นหรือปัญญาตัดไปตามสมควรแก่กรณีกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูก็จะลุกล้ำกั้มเกินจิตไม่ได้จิตก็จะสงบขึ้นเยือกเย็นขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัตินี่ก็ถือว่าเป็นผลที่บุคคลสัมผัสได้ในชีวิตปัจจุบันนี้เองส่วนผลเบื้องสูงนั้นก็เป็นอีกระดับหนึ่ง ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทคำความสงบสืบต่อไป